ภายหลังพระผู้อภิบาลของเขาส่งคัดเลือกเขาและส่งอภัยโทษให้แก่เขาและส่งให้ทางน้ำที่ถูกต้องแก่เขา ى ي พระองค์ตรัสว่าเจ้าทั้งสองจงออกไปจากสวนสวรรค์ทั้งหมดโดยลูกหลานบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางคนบางที่เมื่อมีคำแนะนำจากข้ามาอย่างพวกเจ้าดังนั้น ผู้ใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าเขาก็จะไม่หลงผิดและจะไม่ได้รับความลำบากและผู้ใดผิดหลังให้โดยไม่ดำลึกถึงข้าแท้จริงสำหรับเขาคือการมีชีวิตอยู่อย่างขับแคน และเราจะต้อนเขาไปในวันพระโลกในสภาพที่ตาบอดเขากล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันทำไมพระองค์ท่านจึงต้อนฉันมาในสภาพของคนที่ตาบอดเล่าทั้งทั้งที่ฉันเคยเป็นคนตาดี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 ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาเดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาหลายศตวรรษโดยที่พวกเขาได้พบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการลงโทษเช่นนั้นแหละเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย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 ฟัซ บ, บิร์ على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแท้สองสะรุดีด้วยการสรนเสริญพระพูพ้อภิบาลของเจ้า ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ลับลงไปและส่วนหนึ่งจากเวลากลางคืนก็จงแท่สองสะดุ้งและปลายช่วงของกลางวันเพื่อเจ้าจะได้พอใจวาลลตมมมมุุุุดดนนนอออกิบจฟ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 เป็นของผู้ที่มีความยำเกรงแล้วพวกเขากล่าวว่าทำไมเขาจึงไม่นำสัญญาณหนึ่งจากพระผู้พิบาลของเขามาให้เราหรือว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ปรากฏอยู่ในคำภีต่างๆสมัยก่อนนั้นไม่ได้มายัางพวกเขาดอกหรือ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخز إذا หากเราทำลายพวกเขาด้วยการลงโทษก่อนการให้อัลกุรอาน ล, ลงมาแน่นอนพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระผู้อิบานของเราทำไมพระองค์ท่านจึงไม่ส่งศาสนาทูตมาอย่างพวกเราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามองการของพระองค์ท่านก่อนที่เราจะได้รับความต่ำต้อยและความอัพยศจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าทุกคนเป็นผู้คอยดังนั้นพวกเจ้าจงคอยเถิดและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครคือพวกที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงและใครคือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง